พอคิดจะทำก็บังคับเราก็รู้สิ่งที่ผิดนี่แหละตอนเผลอเพลินไปพอนึกขึ้นได้ออกเมื่อกี้เผลอไปแล้วโดยปกติเลยของนักปฏิบัติก็คิดที่จะทำให้มันดีมันจะต้องเผลออยู่แล้วลหละเพราะเรายังไม่มีทิฏฐิที่สมบูรณ์เรายังเห็นผิดอยู่ล้วก็เผลอไปทำในสิ่งที่คิดว่าดีคือบังคับเอาไว้พอบังคับไปก็มันเกิดความเครียดเกิดความ ไม่สบายอึดอัดก็รู้เลยว่าเมื่อกี้นี้เราทำผิดคือบังคับเอาไว้ผลของมันคือเครียดตึงแน่นอึดอัดนีนะผลของการบังคับนะตอนบังคับเนี่ยถ้าบังคับเก่งมีสติรู้การบังคับไม่หายไม่เหมือนกับตอนที่มีกิเลสนะมีกิเลสมีราคะโสะโมหะเนี่ยพอมีสติปุ๊บพวกนีด้ดับเพราะว่ากิเลส กับสติอยู่ด้วยกันไม่ได้ตอนมีกิเลสเป็นอกุศลตอนมีสติเป็นกุศลเพราะฉะนั้นพอมีสติขึ้นมาปุ๊บกิเลสดับนะแต่ตอนเพ่งถ้าเพ่งเก่งและเพ่งดีรู้ว่าเพ่งเนี่ยไม่หายเพ่งพี่เลี้ยงเนี่ยลองไปคุยดูสิเจอคนเริ่มใหม่กับคนที่เพ่งนะสอนใครง่ายสอนคนเริ่มใหม่ง่ายเพราะคนเพ่งนะมันไม่ค่อยยอมหายเพ่ง เขาคิดว่าเขาคิดว่าที่ทําอยู่เนียดีแล้วประมาณนี้นะแล้วก็เลยจะต้องให้เห็นให้เห็นอาการของการเพ่งเรียกว่าวิวบากผลของการเพ่งคือมันมันแข็งมันเครียดมันเกรง็งมันหนักมันแน่นประมาณอย่างเงี้ยใจที่มันไม่ปกติคนที่เพ่งเพงเนี้ยนะลองเริ่มต้นใหม่ถ้าคิดจะปฏิบัติขึ้นมานะยิ้ม ยิ้มเหมือหวานยิ้ ม, มหวานลองยิ้มเหมือนวานสิยิ้มเหมือนกับว่ามีความสุขตอนเรามีความสุขตอนไหนตอนแฟนบอกรักเรานึกถึงบรรยากาศตอนนั้นแฟนบอกรักขอแต่งงานงมีใครเป็นโสดอยู่บ้างมีไหมใครไม่เคยมีบรรยากาศไม่เคยมีประสบการณ์คนบอกรักเลยมีไหม <laughs> นึกยากไหม <laughs> เออยังไงวะไม่เคยได้ยิน <laughs> นึกถึงบรรยากาศแห่งความสุขแล้ก็ยิ้มยิ้มให้กับตัวเองสบายๆ ย, ยิ้มสดใสเบิกบานเนี่ยนะตอนนั้นจะผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วลองเทียบ ก, กับตอนที่เพ่งตอนที่เราเราเพ่งจุดใดจุดหนึ่งอย่างคิดว่าจะเอาให้ได้เลยให้มันอยู่กระที่ให้ได้จิตที่มันเพ่งกับจิตที่ยิ้มเบิกบานเนี่ยมันผ่อนคลายผิดกันที่ตอนยิ้มเนี่ย ม, มันจะผ่อนคลายตอนเพ่งเนี่ยจะหนักหนั ก, นกแน่นแน่นเครียด สังเกตดูอย่างนี้นะแล้วไปเทียบดูว่าถ้าเผลอเพ่งอีกมันมีอาการหนักแน่นแข็งซึมทื่อมันทื่อด้วยนะมันไม่ได้เกิดปัญญาอะไรนะมันนิ่งนิ่งทื่อสังเกตยอย่างนี้นะเพราะนั้นต่มันอาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่เพ่งมานานถ้าเพ่งมานานให้หัดเผลอมาดูเผลง่ายกว่าตอนเผลอไปเกิดกิเลสแล้วดูกิเลสง่ายกว่า ง่ายกว่าดูเพ่งแต่ถ้าเผลอเพ่งไปแล้วให้มาดูอาการหลังจากเพ่งเรียกว่าวิบากผลของการเพ่งก็คือมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่ออาการเหล่านี้คือเป็นจิตที่ไม่มีคุณภาพที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาต่อ